13. จิตคืออะไรจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตมีหน้าที่รู้จิตทำหน้าที่อะไรจิตทำหน้าที่เป็นประธานของธรรมะทั้งปวงจิตมีผลอย่างไรที่แสดงความมีอยู่ของจิตมีผลคือมีความเกิดดับสืบต่อกันตลอดเวลาอะไรเป็นเหตุให้จิตเกิดรูปกับนามเป็นเหตุให้จิตเกิด